ท่านฟังค่ะช้าตรูเรามารับอารุณก์กันกับรายการสันสนีสนทนาเริ่มมาตั้งแต่ตีหปฏิบัติกันมาแล้วแล้วก็ได้ฟังพะสูตนกันมาบ้างแล้วจากพระมาชาคาวาโรสน่ะประพงศ์ล้ำลูกาคลองสิบซึ่งที่นั่นมีถ้อยกระถินวันที่4ีพฤศจิกายนนะคะก็สอบถามได้ที่ 02-269-0006 ดิฉันได้ให้ข้อมูลพื้นฐานกับเจ้าหน้าที่ทางสถานีไว้แล้วค่ะ ตอนนี้เราก็มาถึงช่วงเวลาที่สองนะคะคือพระพบูพบุญอภิปุโนวัดป่าดอนหายโศดรนธา น, นีเพื่อทําที่ถูกปิดด้วยพุ้ทวจนะค่ะกลาบมาส ก, การค่ะท่ะานคะเยนพานค่ะวันนี้ได้พูดถึงปัญหาในการทำสมาธิอของผู้ฟังรายการท่านหนึ่งซึ่งตี๋เช้ก็เชื่อว่าผู้ทฟังรายการส่วนใหญ่แล้วลก็จะเป็นผู้ที่ฝักใยอยากที่จะปฏิบัติธรรมเหมือนกันนะนะคะใช่<ะ>ปัญหานอกเหนือนจากเรื่องของฟุ้งซ่านไหมคะ ที่มากรับเรียนามท่านบ่อยๆในคอร์สปฏิบัติธรรมจะเป็นเรื่องอื่นมีไหมคะหรือว่าส่วนใหญ่ก็ฟุ้งซ่านแหละฟุ้งซ่านนี่มันก็มีหลายแบบคุณยมติวค่ะอ่าหมายถึงฟุ้งซ่านคิดมากก็มีฟุ้งซ่านแบบท้อถอยก็มีนะแบบลักษณะของหดหู่ปในทางฟุ้งซ่านอย่างเงี้ยส่วนอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นลักษณะว่ามีอาการปรุงแต่งทางจิต เ, เช่นเหมือนกับตัวเอนเอ็นตกเหวลอยขึ้น สัน่นคันหมุนโอ้มีสารภาพแบบเออส่วนตรงนี้ฟุ้ฟงซ่านเหรอคะอใช่ใช่คือเป็นเข้าข่ายจิตไม่สงบค่ะอจิตไม่สงบเราก็พยายามที่จะแบ่งเป็นสองส่วนนะคื อ, เ, อเกียร์คล้านหรือว่าหมายถึงว่าฟุ้งซ่านหรือหดหูอะไรงี้ยครูธรรมชาติแบ่งเอาไว้ฟุงงซ่านหรือหดหูอถ้าหดหูเป็นแบบไหนฟุ้งซ่านเป็นแบบไหนเราก็ค่อยดู แต่วิธีทั้งสองแบบเนี่ยมันจะต่างกันนิดนึง เ, เราขยายความเพิ่มเติมนะคุณโยมถือตรงนีอ้อย่างเวลาที่จิตฟุ้งซ่านอย่างเงี้ยคิดนั่นคิดนี่คิดนอนอย่างเงี้ยบางทีถ้าเราจะบังคับหักดิบให้มันหยุดคิดเลยเนี่ยมันมันไม่ได้เพราะว่าจิตเราไม่มีกําลังพอใช่ไหม ค, คือความคิดที่มันวิ่งเข้ามาวิ่งเข้ามาเนี่ยแล้วทําไมจิตเราเข้าไปรับรู้เข้าไปรับรู้นั่นเพราะว่าจิตเราไม่มีกําลังที่จะปล่อยมันเนาะ พอจิตเราไม่มีกําลังที่จะปล่อยมันมันก็เลยยิ่งฟุ้งไปใหญ่และยิ่งไปโดนเรื่องไม่ดีเรื่องที่ไม่ชอบไม่พอใจบึมบึมบึมขึ้นเลยนะก็เลยก็เลยแบบอ่อนลงจิตใจอ่อนลงอ่อนลงนี่หมายความว่ามึนนะนะ <c oughs> แล้ก็ทำอะไรไม่ถูกคิดอะไรไม่ได้ยิ่งฟุง้งซ่านไปกันใหญ่ถ้าเราจะแก้ด้วยวิธีที่ให้หยุดคิดมันก็ไม่มีกําลังทําเพราะฉะนั้นก็วิธีหนึ่งก็คือว่าให้แก้ด้วยการที่คิดแบบว่าเรื่องที่มันเป็น ในธรรม ะ, <c oughs> ะเช่นพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงเลยเห็นพิจารณากระดูกเลยะโดยไม่้องไม่ต้องไปทําสมาธิอะรงสิน้นนี่คือคือวิธีที่นี่ความเห็นอาตมานะ <c oughs> ที่อาตมาใช้แล้วได้ผลแต่ถ้าเราพยายามจะมาสังเกตเราไม่ใช้สังเกตเราไม่ใช้มันก็ยังฟุ้งอยู่นั่นนะ่ะทำไม่ได้จริงๆเลยคือเราไปคิดเลยทางนั้นไปคิดเลยคิดอะไรคิดเห็นกระดูกคิดเห็นตับไตไส้พุงเห็นเลือดเห็นหนังเห็นเนื้อเห็นเห็นกระดูกพวกนี้เลยคอย่างนี้ก็ได้ แล้วพอมันคิดปุ๊บปุ๊บปุอย่างนี้อ้าวเป็นการพิจารณานะมันก็จะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดปล่อยวางได้บ้างแต่ยังไงอันนี้อันนี้สําหรับฟุงซ่านนะฟุงซ่านอีกวิธีหนึ่งก็คือว่าท่านคะขออนุญาติเชิต่อก่อนได้มค้ได้จะถามท่านนะคะเอย่างในกรณีนี้ท่านบอกให้ไปคิดเลยแต่ว่าให้ไปคิดเรื่องที่เป็นธรรมะเป็นการพิจารณาธรรมะทีนี้ดิฉันก็ มีควรู้สึกว่าทุกอย่างเป็นธรรมะอย่างที่ได้เคยกราบสนทนาถามท่านไปแล้วนะคะอถ้าเราคิดต่อเรื่องที่คิดได้ไหมคะสมมุติว่าเราฟุ้งซ่านเรื่องไหนเลคะเราคิดต่อไปเลยแต่คิดเรื่องนั้นอ๋อได้คิ ด, ดแบบให้เป็นธรรม ะ, ะคะ่ะใช่อันนี้แหละคือการอปรุงแต่งในเรื่องที่คิดนั้นมีเทคนิคการละอกุศลอยู่ห้าวิธีหนึ่งในวิธีนั้นเนี่ยก็คือการที่ คิดปรุงแต่งในเรื่องที่ตรงนั้นแต่คือให้เห็นแง่มุมที่มันไม่ดีแต่จนกระทั่งเราปล่อยวางมันตรงนั้นก็ได <Okay. S 1> ้หรืออีกกรณีหนึ่ง น, น, นี้คือรวมอยู่ในกรณีที่หนึ่งหมายถึงว่าวิธีแก้ที่1วิธีแก้ที่2ก็คือว่าคุณอย่าไปคิดมันแตพยายามที่จะมารู้มหายใจอยู่เรื่อยๆพยายามที่จะมารู้ลมหายใจอยู่เรื่อยๆทำอย่า <Okay. S 1> งนี้ติก็จะสงบลงได้บ้างพ <Okay. S 1> ระเจ้าเปรียบเทียบกับอะไร เหมือนกับไฟกองใหญ่เลยคุณโยมติ๋วบึมๆมขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราพยายามที่จะดับมันถ้าคุณพยายามที่จะดับมันด้วยการเป่าลมเข้าไปนะเอาน้ำมันสาดใส่เอาของแห้งใส่ลงไปอีกโฮ้ยมันไม่มีทางดับได้ค่ะถ้าเรา่องจะไปคิดเรื่องที่คิดฟุง้งซ่านคิดนั่นคิดนี่มันมันไม่ถูกอีกแล้วนะก็ยิ่งไปกันใหญ่แนะวิธีแก้ที่ถูกคื อ, อยังไงแล้วนะก็อย่างที่ว่าไปมีสองกระบวนการค่ะแล้วก็จะเปรียบเหมือนกับการเอาน้ําใส่ลงไปนะเอาไม่เอาไฟ ไม่เอาลมพัดเข้าไปนะก็จะไม่กองไฟใหญ่นั่นนะสงบลงได้บางเวลาางอย่างนี้อือันนี้เป็นสิ่งที่พุทโธตรัสไปเลยนะคะใช่ว่ า, าให้ปล่อยวางอืในเรื่องที่เราคิดคือคิดในเรื่องนั้นแล้วก็ปล่อยวางคิดให้คิดให้ถึงมุมไม่ดีใช่ถูกต้องค่ะอ่าอัน น, น, นี้คือถ้าเราจะมาเปรียบเทียบกับมัควิธีที่พุทเจ้าสอนมันก็จะมาตรงกันกันกบ สุขขาปฏิปทากับทุกขาปฏิปทาสุขขาปฏิปทาเอาทุกขาปฏิปทาก่อนนะก็คือที่เราบอกว่าให้คิดเห็นกระดูกตับไตไส้พุงหรือคุณโยมติวบอกให้คิดเห็นแง่ไม่ดีของมันอันนี้คือทุกขาปฏิปทาเพราะอะรเพราะเราจะต้องเห็นสิ่งที่มันเป็นทุกมันไม่ไม่ไม่งดไม่สักงาไม่งามอ่ะอันนี้คือกรณีที่หนึ่งหรือกรณีที่2คือสุขขาปฏิปทาอ้นคุณไม่ต้องคิดคุณมารู้ตรงใจอย่างเดียวทําจิตให้สงบให้ได้คอันนี้อ๋อเดียฉันกำลัจะถามท่านว่า ในเมื่อถ้าถูกข่าปฏิปทาเป็นการคิดที่มองให้เห็นในแง่ไม่ดีแล้วถ้ า, างั้นเราคิดเรื่องเดิมที่เราฟุ้งซ่านไปแต่คิดในมุมดีได้หรือไม่แต่ไม่ใช่ใช่ไหมคะไม่ใช่งี้ยไม่ใช่เงี้ย อ, อ๋อค่ะ อ, อ่าถ้าคิดแบบนั้นมันจะยิ่งแก้ปัญหาไม่ได้ ถ, ถูกต้องถูกต้องอันนี้คือเห็นไหมการกําหนดบทเพลงชื่นนั้นมาเนี่ยมันผิดแก่ค่ ะ, <ง>คะมันทําให้คนไปคิดอย่างนั้นได้ค่ะออว่าถ้าเราพูดถึงคิดใงไงไม่ดีปุ๊บก็จะเป็นคิดในแง่ดีแต่ผู้ชากกรร้ากาหนดบทเพลงชื่นนั้นเนี๊ยบื่อห่าย อย่างนั้นก็คือจะเป็นเขาเรียกว่าทุกขาปฏิปทา <Okay. S 2> ส่วนสุขาปฏิปทาก็คือคุณทํำจิตให้นิ่งไปเลยด้วยวิธีการใดๆก็ได้ <Okay. S 2> เช่นคุณระลึกถึงนิมิตอันเป็นที่ตั้งของความมืดใสยอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าคุณสังเกตลมหายใจก็ได้อ่าไม่ให้มันไปคิดไปที่ไหนให้มีจิตปูกไว้กับเสาเขื่อนเสาหลักก็ได้แ <Okay. S 2> ม้มันจะสอด ร, รับกันหมดเลยนะประวัต<ม>ิศาสตรของพระพุทธเจ้าค่ะฟังแล้วดีนะคะน่าที่จะจดจําที่พระพุทธองการว่า คิดปรุงแต่งจิตในลักษณะที่ทำให้เกิดการเบื่อหน่าย อ, อันนี้เป็นทุคขาปฏิปทาส่วนสุขขาปฏิปทาคออยครั้งได้ไหมคะที่ฉันโจทย์ไม่ทันสุขขาปฏิปทาก็คือทำจิตให้อยู่ในสานให้เป็นสงบลงบทเพียรชนะนนชนที่พระเจ้ากำหนดก็คือว่าเพราะละวิตกวิจารเสียได้ เ, เพราะละกามและอกุศลธรรมเสียไดย้จึงมีวิตกวิจารมีปิติและสุขันเกิดจากความวิเวก แล้วตั้งอยู่ในวิหารธรรมบรรดาก็คือเหมือนกับสัมมาสมาธิเลยอ่ะสีข้อ ค, คือสมาสมาธิ4ี่ข้อ น, นั่นแหละวิธีการอ่าวิธีการที่จะให้ได้มาตรงนี้คือชั้นหนึ่งชั้น4ี่ะน ะ, ะวิธีการชี่ให้ได้มาตรงนี้คุณจะรู้วิจใจก็ได้หรือคุณจะไประลึกถึงนิมิตอันเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสอย่างใดอย่างหนึ่งบางคนนึกถึงพระพุทธเจ้าบางคนนึกถึงพระสงฆ์ครูบาอาจารย์องค์ไหนที่เรามีศรัทธาก็ได้ทำจิตให้สงบก็ทำได้เหมือนกัน ค่ะท่านขั้ในข้อที่คล้ายๆกับสุขาปฏิปทาที่เคยได้คุยกับน้องๆที่เขาเป็นผู้ฝึกปฏิบัติมาก่อนนะ น, นะคะเชิญบาลเขาบอกว่าวิธีของเขาเนี่ยเขาจะไม่คิดอะไรเลยอืวิธีทางธรรมสมาธิเนี่ยอย่างนี้ถ้าไปเปรียบ เ, เทียบกับสิ่งที่พระพุธทธองตรัสสอนไว้ถูกหรือผิดคะแล้วก็จะไปต่อก้าวหน้าได้หรือไม่อย่างไรคะไม่คิดอะไรเลยก็คือทำจิตให้สงบนั่นเองก็เข้าอยู่ในลักษณะของชั้นหนึ่งถึงชั้นสี่ อ๋ออถูกต้องแล้ววิธีการที่เขาจะทำมาตรงนี้เขาเลือกวิธีอะไรก็ได้พุญชาสอนไม่เยอะแยะคนเราหยุดเฉยๆไม่คิดเลยกำหนดตัวเองนะคะว่าไม่คิดเลยอืมได้ทำาได้จริอ๋อเะเท่าเท่ากับว่าเรากำลังสู่กระบวนการในการฝึกปฏิบัติตามพระพุทธองค์สอบปฏิปทาทุกเดียันปฏิปทาใช่ค่ะ นี่ซึ่งในกรณีนี้เขากําลังพูดถึงเรื่องอุเบกขาไงคุณชมเติว oh. มีอะไรมากระทบแล้วนิ่งเฉย อ, อยู่ได้มีอะไรมากระทบนิ่งเฉย อ, อยู่ได้อย่างเงี้ยคือไม่คิดอะไรว่างั้นเถอะนะกระทบตั้งใจที่ดิฉันสงสัยว่าจะไม่ใช่เพราะว่าเคยจําได้ว่าท่านอาจารย์ดิพุฒิพระพุทโธงตรัสถึงเรื่องของการปฏิบัติเนี่ก็คือให้รู้ตามความเป็นจริงด้วยการฝ oh. ึกในลักษณะที่ไม่คิดไม่คิดไม่คิดเนี่ยมันจะไปเห็นความจริงไหมค ะ, ะถูกต้องเพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่เราไม่คิดไม่คิดเนี่ย คือเราไม่ได้มีอะไรเข้ามาอยู่ในช่องว่างของจิตแปลว่าจิตเราเนี่ยไม่ต้องเข้าไปรับรู้นู่นนี่นั่นใช่ไหมเ <Okay. S 1> พราะเราจิตเราว่างแล้วเนี่ยตรงเนี้ยคือสภาวะที่จะเป็นสมาธิไงพอมีสมาธิแล้วเนี่ยก็จะรู้เห็นตามนั้ น, นคือตามสภาวะที่มันเป็ น, น, น, น, น, นคือคือตรงเนี้ยแหมเวลาแปลภาษาบาลีมาเป็นภาษาไทยแล้วเนี่ยนะมั น, นทำให้เรากําหนดเปิดเผยชนะอาจจะ คาดเคลื่อนไปนิดหนึ่งเพราะว่าเขาใช้คำว่ารู้ตามรู้ตามในจริงจริงๆเนี่ยในความหมายที่พู้เช้าหมายถึงเนี่ยคือถ้าแปลออกมาก็ต <ere> <Lance> mm ้องแปลว่ารู้ตามนะแต่จริงในการปฏิบัติเนี่ยก็คือเห็นนั่นเองเห็นตามนั้นตามนั้นไม่ได้หมายถึงว่าเป็นกิริยานะที่ให้ตามไปแต่ว่าตามที่มันเป็น่ะตามจริงนะออคือไม่ได้ตามมันไปนะคะแต่เห็นตามนั้นจะพู่านี้ดีกว่าอืม ส่วนอีกด้านหนึ่งคนที่จะเจอกันบ่อยๆก็คือการที่จิตแบบหดหูนะ่หดหูนี่ก็มีอะไรบ้างขี้เกียจนะ เ, เบื่อน า, เ, อาเบื่อเซง็งนะเบื่อนากับเบื่อเซ็งเหมือนกันนะขี้เกียจเบื่อเซง็งหดผูไม่มีกําลังใจทอ้อถอยหมดกําลังใจคิดดูหมิ่นตัวเองใช้มันบุญน้อยวาสนาน้อยพวกนี้รวมอยู่ในอันเดียวกันหมดนะคือจิตหดผู่ จิตโหดหูนี่แก้ด้วยการที่คุณต้องอไปพิจารณานะพิจารณาแยกแยะ ก, ก, กายของเราไหนตัวโหดหูมันอยู่ไหนเอากายออกมาปาดดูแบ่งเป็น4 ส, ส่วนดินนะ้ำไฟลมโหดหูอยู่ตรงไหนนะเอากระดูกออกมาเอาหนังออกมาเอาเนื้อออกมาเอาเล็บออกม า, าผมออกมาไหนโหดหูมันอยู่ตรงไหนเราจะหาไม่มนะีอันนี้ก็บินวิธีหนึ่งการโหดหูก็จงหายไปซะ ก็คือพิจารณานั่นเองเนาะหรือวิธีที่2องนะก็ด้วยการที่เราไม่ระลึกถึงพระพุทธเาเป็นต้นนะระลึกถึง น, นี้เขาเรียกว่าวิธีธรรมวิจัยวิจัยะนะธรรมวิจัยคือแยกแยะพิจารณาธรรมะต่างๆหรือวิธีที่2เราปรารบความเพียรนะไปเดินจงกรมไปนั่งสมาธนะิฟังเทศ ทำแรงต่างที่มันเป็นกิจกรรมที่ต้องทําขึ้นมานะคือการปราบรคความเพียรอันนี้ก็เรียกว่าอะไรวิทยาสัมโพชงชหรือว่าเราพูดถึงปิติสัมโพชงก็ได้แต่ถ้าเราเลือกถึงพระเจ้าโหความเพียรที่พระเจ้ากระทาดูสิโอ้โหมันยิ่งใหญ่เหลือเกินนะจิตฮึ่มขึ้นมามีกําลังใจขึ้นมาอย่างเงี้ยทําไงให้มันฮึกเหิมขึ้นมาเนี่ยก็เป็นแก้ความหดหู่ได้ก็เรียกว่าเป็นปิติสัมโพชงเรื่องของหดหู่นี่เป็น ปัญหาของคนในยุคใหม่คือทไม่ทราบยุคใหม่ยุคเกา่าด้วว่ายุคนี้เขาพูดถึงกันนะนะคะว่ามันเป็นภัยของมนุษย์อีกอย่างหนึ่งบางคนก็บอกว่าอยู่ในช่วงเวลาของวัยที่จะเปลี่ยนผ่านอย่างวัยวัยทองเนี่ยซึ่งเขาบอกมีทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะก็จะมีอาการที่เรียกว่าหดหูแต่ไม่ทราบว่าอย่างเนี้ยเป็นหดหูแบบเดียวกันหรือเปล่าแล้วก็จะนํามาใช้วิธีเดียวกันได้หรือไม่ เพาบางคนว่ามันเป็นจากร่างกายสามารถจะเอาเรื่องใจนี่ไปช่วยตรงนี้คุณโยมตีว๋ว่ายทองเนี่ยนะไม่ได้เป็นทุกคนนะค่ ะ, ะพระส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นนะค่ะเพราะว่าอย่างครูบาอาจารย์ที่อายุมากมากขึ้นเนี่ยห้าสิบไปหกสิบหกสิบไปเจ็สิบเนี่ยเราก็ไม่ได้เห็นว่าท่านจะมีอารมณ์ที่ปีดปัาดเปล่งปลังขึ้นมานะหรือหดหูอะไรต่างมันก็บางคนก็เป็นบางคนก็ไม่เป็นอนะ่ะเพราะฉะนั้นแสดงว่าไออาการของทางกายเนี่ย มันอาจจะมีแนวโน้มให้จิตเป็นอย่างไรอย่างหนึ่งเป็นไปได้แต่<ะ>ไออาการหดหูก็ตามฟุง้งซ่านก็ตามเนี่ยต้องเกิดขึ้นที่จิตเท่านั้น <ừ> ยกยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างอย่างต้นไม้น ะ, ะถ้าเราบอกว่าต้นไม้โตที่ไหนต้นไม้ไม่ได้โตในอากาศนะคุณโยมติว๋วโตในดินแต่<ะ>แต่ว่าอากาศเนี่ยมีผลต่อการโตของต้นไม้นะเช<ะ>่นคุณเอาเชอร์รี่มาปลูกที่กรุงเทพเนี่ยมันไม่ได้หรอกมันต้องไปโน่นภาคเหนือภาคทางที่ซนที่มันหนาวหน่อยแต่ว่า ต้นเชอรี่เนี่ยไม่ได้โตในอากาศนะโตในดินนะดินที่รทกรุงเทพกระดินที่ต่างประเทศมันเหมือนกันไหมก็เหมือนกันอะค่ะแต่อากาศท่านั่นงที่ไม่เหมือนกันซึ่งเปรียบเทียบอากาศเนี่ยเหมือนกับร่างกายของเราแต่ดินเนี่ยคือจิตของเราแน่นอ น, นเนอะเพราะฉะนั้น ก, ก็ก็ต้องเข้าใจอย่างนี้ว่าแต่อากาศเหล่านี้เกิดที่จิตนะถ้าเราควบ ค, คุมจิตเราได้คือจบเลยค่ะเกิดที่จิตก็ไปจัดการที่จิตด้วยวิธีของพระพุทธเจ้านะคะทั้งในเรื่อง พดหูท่านในเรื่องฟุ้งซ่านอ่าท่านพูรณ์ก็ได้นำเอารายละเอียดมาบอกกับพวกเราใครที่มีปัญหาเช่นนี้เวลาที่เหลืออยู่ในแตละวันที่ได้ฝึกปฏิบัติแล้วก็ลองนำามาไปใช้เพราะว่าโจทย์พวกนี้มันเกิดขึ้นตลอดเวลาถูกไหมคะถูกต้องไปถึงตอนไหนแล้วคะสำหรับการปฏิบัติที่เรื่องพวกนี้ไม่มีละบ้าหนาดังนั้นอ่ถ้าเรายังเกิดขึ้นอยู่ก็ ไม่ผิดปกติเพราะว่าคงจะไม่ได้ไปง่ายนักนะคะสําหรับการที่จะเจริญถึงเป็นพระอระหันต์เดียวสิคุณยมติวพูดอย่างนั้นได้ไงค่ะมันไม่ง่ายก็จริงแต่มันไม่ยากนะอ๋อค่ะไม่ยากไม่ยากถ้าเราทําถูกไม่ยากกราบขอ <c oughs> อภัยค่ะอาจจะเป็นเพราะตัวเองก็ได้ไปยกตัวอย่างเนี่ยเปรียบเทียบกับตัวเองว่ารู้สึกยากอ่ ะ, อะก็พูดแบบท่านพิบูนกันแล้วกันนะคะว่ามันไม่ยาก อืไม่ยากเกินไปไม่ยากเกินความสามารถของเราถ้าเราทําไปเรื่อยๆในขณะเียกัน<ต>ถ้า<ต>เราทําผิดนี่มันก็ไม่ไม่ง่ายนะค่ ะ, ะด่ฉันก็ใส่คําว่าความเพียรเท่ะกันแล้วก็พยายามที่จะแสวงหาคําสอนที่ถูกต้องซึ่งในรายการนี้ท่านวิรุณก็พยายามนะคะนําในสิ่งที่เป็นพุทธวจนะของพระพุทธองค์ในเรื่องเหล่านี้เอามาตอบคําถามกันอยู่แล้วเปิดทําที่ถูกติดด้วยพุทธวจนะเนี่ย ค, ะค่ะท่านบิรุณคะวันนี้คงจะต้องลาแล้วนะคะยินดีผานนะคะก็ เป็นการส่งท้ายเดือนนี้เลยนะคะเนี่ย อ, อย่างไรก็ตามท่านพนบู์เองตีห้าถึงตีห้าครึ่งทวันเสาร์อาทิตย์แล้วท่านจะมีที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยส่วนท่านอื่นที่กลัวน้อยหน้าฟังไม่ได้นี่มีเว็บไซต์นะคะ www. p h e l t h a m a c o m 1 0 6ะจะประกาศให้ท่านทราบเพิ่มว่าวัดปรรา่าดอนไหสโตท่านพบูลเนี่ยจะทอดกถินวันที่11พฤศจิกา ย, ยนก็เตรียมตัวกันเอาไว้ให้ดี ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมท่านขอไปที่022690006หรือว่าเข้าไปที่เพียวธรรมะนี่เห็นไหมคะท่คะใช่ใช่ถูกต้องมันจะมีหน้านของรายการเปิดตามที่ถูกปิดอยู่นี่ค่ะก็มีรายละเอียดเกี่ยวกับงานนะบุญนี้ด้วยนะคะไปเปิดดูกันวันนี้กลาบมาที่สการขอบพระคุณท่านคะ่ะเจญพรกับท่านฟังค่นและสำหรับรายการของเรานะครับก็จะกลับมาเพื่อที่จะสนทนาธรรมกับท่านผู้ฟังกันอีก เป็นประจำทุกวันจันถึงวันศุกร์นะคะดิฉันสังสินาพงศ์ประมาชาคาวาโรและพระเพรบุญอภิปุญโนท่านที่อยากได้นิสสือผู้ทวจนะนะคะท่านอาจารย์คึกฤทก็ยังมอบให้พวกเราอยู่ส่งมาที่0 22690006เช่นเดียวกันนะคะวันนี้ลากันไปแต่พินทุกนี้ก่อนคะ่ะผู้ทวศดีคะ่ะ